วันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นวันเสาร์ที่สิบแปดเดือนตุราคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าพวกเราเคยเข้าวัด <c oughs> เคยฟังเทศ <c oughs> เคยไปรักษาศีล <c oughs> เคยทำบุญ <c oughs> เคยไหว้พระภาวนาแต่ว่าอันนั้นดีแล้ว มีเรื่องที่จะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเคยตัดเอาไว้มีบุรุษแต่ว่าหลายคนน้อยคนก็ไม่ต้องพูดคนหนึ่งสแสวงหาสติสติเพทไปเจอกับพระพุทธเจ้าเขาพระพุทธเจ้าว่าเธอจะหาสติเพศแล้วจะหาตัวของท่านผู้ตายบุรุษเกือบผู้ตาย <c oughs> ถ้าเธอหาสติเพศเพื่อหาผู้หญิงเนี่ยกับเธอหาตัวของเธอพบอะไรจะดีบุรุษคนนั้นเกิดเข้าใจทันทีก็ลเลยหยุดการหาสติเพ่ง <c oughs> ย่ำการพูดการคุยก็เช่นเดียวกันทุกอย่างคือมันน้อมตัวเราหนีจากตัวเราเทานั้นคือว่าคนลืมตัวนี่แหละคนหลงตนลืมตัวแล้วมีค่าน้อยที่สุด เพราะว่ามันมีแต่ความเดือดร้อนการพูดการคุยกันก็เช่นเดียวกันเราไปวัดไปฟังเทศไปให้ทานไปรักษาศีลไปไหว้พระภาวนาเพื่ออะไรก็เพื่อศึกษาเองเราไปวัดก็ไม่เสียไปอื่นไกลคือไปดูกิริยาท่าทางเราจะทํายังไงจึงจะเหมาะสมกับกิริยาท่าทางของเรา อันนี้พ่อแม่หลวงพ่อหรือคนเฒ่าคนแก่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟัง <c oughs> ว่ากิริยากิริยามารยาทไม่เหมือนกันคนแต่ว่าการฟังบันนี้กิริยามารยาทนั้นก็ต้องข้อจะข้อยเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปได้ลูกล้างอันเดียวกันทีแรกมันต้องไม่รู้มันต้องทําไปตามนิสัยสันดานเคยทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนั้นทั้ง เร้่องบรรณิทางวินัยทั้งก็ตัดเอาไว้ว่าดอกไม้ที่ต่างสีถ้าหากเส้นได้ดีเส้นได้คือปวงมาลัยเฉยปวงมาลัยเส้นได้ที่ฐานเส้นได้ดีจ้างนายสร้างเขามาสลับสีก็โหหน้าดูถ้าหากนายซ่างไม่ดีนะสลับสีก็ไม่เป็นเส้นได้ก็ไม่ดีดึงก็ขาดพวกออกไปเลยหรือไม่มีที่จะดูได้ <c oughs> ที่หวงพ่อนำ ม, มาพูดให้ฟังวันนี้ขอสวัสดิ์ญาติโยมมาทำบุญก็มากพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็กเป็นการตวาวนากันไปเสร็จสิ้นไปแล้วจะได้ออกไปทาธุระหน้าที่ของตัวเราให้เหมาะสมกับหน้าที่ของเราคนมันต้องรู้จักหน้าที่ของคนถ้าไม่รู้จักหน้าที่ของคนแล้วก็รู้จักหน้าที่อะไรมันก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้จักหน้าที่อะไรเลยรู้จักหน้าที่ของเศรษ เปตเปิลลักษณะยังไงไม่รู้เพราะไม่รู้ลักษณะของคนหนึ่งสัตว์ในรสารมีลักษณะยังไงไม่รู้อาุลกายมีลักษณะยังไงไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดเลยเพราะไม่รู้จากหน้าที่ของคนดังไม่รู้ทั้งหมดถ้ารู้จากหน้าที่ของคนความเป็นคนมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องรู้จากอันนี้หลวงพ่อเข้าใจอย่างไงแต่ก่อนหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักว่าคนคืออะไร รู้จักจะไปเห็นแขงขาหน้าตามือเท้าเกิดมาแล้วก็เป็นคนเข้าใจว่าอันนั้นเป็นคนเป็นคนจริงอันนี้แต่ว่าจิตใจอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้คําว่าสัตว์เดรัจฉานน่ยไม่ใช่แขนขาหน้าตามือเท้าเป็นนะฟังกันได้จําได้คือจิตไม่มีความละอายนั่นเองอันนั้นจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมันกําลังพูดกําลังคยุยกําลังทํากําลังอะไรมันไม่มีความละอาย ไม่สำนึกตัวนั่นเองเว่าคนหลงตนลืมตัวทั้งนั้นคือไม่ได้ดูตัวเราเลยมันก็ไปเฮ้ยไปเนี่ยหนูพอเข้าใจเังไตอนเศร้าหลูงเข้าใจนี่ว่าคนหลงตนลืมตัวเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมันไม่รู้จักหน้าที่ของคนนี้เปรตแบบนี้คือไม่พอเป็นพูดไม่พอไม่จบไม่สิ้นหากินก็ไม่พอไม่จบไม่สิ้นได้อะไรไม่พอเป็นเนี่ยว่าไม่พอเลย ปากท่อรูเข็มท้องท่อขูเขาอันพ่อแม่ขู่บาอาจารย์เราให้ฝังเปรตเป็นปากมันเล็กพ้อมันโตกินเทเล น, นพล อ, อันนี้ก็เข้าหลักเดียวกันเลยพูดจนตายเลยเกิดมาดุททองแม่มาพูดอยู่เจ้านั้นนะไม่รู้จบไม่รู้ส้นเลยโอ้หลักษณะ่าเปรตเป็นปีนอย่างนี้ก็พ่อเรารู้หลักษณะควมเป็นคนแล้วอสุรกายแบบนี่ยฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องดีชั่วไม่รู้เรื่องเลย ไกลจากความจริงพูดความจริงให้ฟังปฏิเสธไปเลยเแลยวอสุรากอาสุรากแล้วไก่นะที่หลวงพ่อเข้าใจไม่ได้แปลกับตัวหนังสือเนี่ยอสุรก า, ายแล้วไก่จากความจริงไก่จากขมสอนของพระพุทธเจ้าไก่จากขมที่จะให้เป็นคนมันดิ่งลงไปทางทางที่ผิดเหรอมันเป็นสัตว์นรกบนก็หมายถึงมันร้อนรนละอุอยู่มีคนใดพูดให้เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจความหมายอันนั้น ใจมันเป็นไม่ใช่แค้งขาหน้าตามือเท้าเป็นนะอันนี้ที่พูดให้ฟังนะญาติโยมมาทําบุญก็ฟังเอาไว้จ อ, อ, อยัดเสื้ออาตมาเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ฟังเอาไว้อยัดเสื้ออาตมาเอาไปพิจารณาเองตอนเซาอาตมาเข้าใจเรื่องนี้ประมาณตีห้านี่แหละดูลามือยังไม่ชัดดิเข้าใจอย่างโอ้โอเบรดสัตนาโลกสัตย์เดลสารอสุลกายมันไม่ใช่มีตนมีโต ผีก็ไม่มีตัวมีโตเทวดาก็ไม่มีตัวไม่มีโตมันเป็นเพียงสมมุติคือสมมุติให้ใจมันเป็นเท่านั้นเองมันนี่คนเหมือนเนี่ยใจก็คือคนนี่แหละตัวคนนะคือหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างมีในนี้มีเทวดามีคนมีมนุษย์มีพระอินทร์มีพระคมที่สุดพระเดียเจ้าก็อยู่ด้วยกันไม่คือบอคนเนื้อตะกวนเป็นคนก็เลือกเอาได้บนเนี่ยคนแล้วควรกัน <c oughs> คนไปว่ากวนอย่างที่ญาติโยมคงจะเห็นข้านมเส้นบ้านหนลวพ่อเดี๋ยวขาปุ้นทางนี้ดี่เอาเข้านมเส้นข้าวหนมจีนเนี่ยที่เลี้ยมเป็นเม็ดมามาปนเขา้าในจังไรหลวงพ่อไม่รู้ดิมัแล้วเขามานวดมาคันเป็นเละไปเลยไม่มีเส้นไ ม, ม่อะไรเนี่ยวันนี้เขาเป็นปากเอาข้าวอันนั้นเร็วเองไปบีบลงน้ํา พอดีมันตกลงน้ำมันเป็นเส้นก็เลยเลือกได้เลยนั้นเหมือนกับคนคนเหมือนกับที่เราคนเข้ากันนั่นแหละแต่พอดีไปลงใสน้ำร้อนมันเป็นเส้นก็เป็นคนเลือกได้เลยเป็นมนุษย์มนุษย์จึงว่าแปลผู้จิตใจสูงหักห้ามจิตใจได้เลือกคัดจัดหาเอาได้เมื่อความเป็นคนมีแล้วความเป็นเปรตความเป็นซาเตลสารความเป็นอสุรกายความเป็นสัรวนรกกดลดน้อยไป ความเป็นคนกับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความเป็นมนุษย์ก็เกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเมื่ อ, อนควา ม, มเป็นคนสมบูรณ์แล้วนะความเป็นคนสมบูรณ์กว่านั้นยังเป็นมนุษย์นะไม่ใช่ว่าเป็นคนเกิดขึ้นมาเนี่เป็นมนุษย์ได้ทันทีไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตัวอาตมาเข้าใจอ ย, ย่างนี้คนอื่นจะเข้าใจยังไงไม่ทราบตอนนั้นเมื่อความเป็นคนสมบูรณ์โอ้ความมันเป็นมนุษย์ของเขา ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเหมือนกับต้นไม้นี่เองมันค่อยงอกค่อยงามค่อยโอ้เมื่อความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วความเป็นคนคนนีสมบูรณ์ความเป็นมนุษย์ก็เป็นสมบูรณ์ความเป็นเทวดาก็ค่อยมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นจะมีกับเป็นอันเดียวกันเข้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจสิมีกับเป็นเนี่ยมีแล้วค่อยเป็นมันค่อยมีขึ้นเป็นขึ้นอ่ะนะ มันค่อยเป็นตนัวกนเองนี่ความเป็นเทวดาก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นความเป็นเทวนาก็คือมีความละอายนั่นเองเราจะพูดอะไรทําอะไรคิดอะไรดูกิริยาท่าทางเนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทบ้านหลวงพอ่อกิริยามารยาทกิริยาท่าทางท่านสอนยังคนเท่าคนแก่ท่านสอ น, น, นะ น, น, น, สอนลูกสอนหลานเวลากินข้าวเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยเลยพ่อหลวงพ่อ แม่หลวงพ่อนื้อปู่ย่าตายายเคยสอนจะสอนลูกก็สอนไม่ได้ไม่สอนเห็นเขาทําผิดก็ยังไม่สอนสอนไม่ได้พ่อแม่บอกจยางนั้นกินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วจะสอนเขาบน่นเรียกมาถ้าสอนเวลากินข้าวเนี่ยเขามีควาไม่พอใจเขาจะวางคเข้าหนีเขาจะไม่กินเลยทันวันอย่างนั้นนัพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านสอนเพราะมันมันไม่พอใจมนันมันไม่ฟังเลย มันก็หนีเลยเลยไม่ได้สอนเหมือนเลยเข้ากันมันก็นไม่ได้กินคุณรูปมันก็นไม่ได้บัดนี้กินข้าวดีเรียบร้อยล้วเรียกมาทั้งหมดเลยมาเรามีเรื่องนั้นนั้นอย่างนี้จะพูดให้ฟังแล้วงนี้นก็พูดให้ฟังอ้อมไปอ้อมมาเขาใจดีเขารับฟังได้ในวิาการสอนขนเขาเช่นเดียวกันเจยงว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องคุดอะไรทั้งหมดกินข้าวลงไปเราจับอาหารมือเราเนี่ยวิ่งไปจับอาหารแล้วก็คอยรู้ เอาเข้ามาในปากเราเคี้ยวเข้าเข้าไปก็ให้รู้เราเกิ น, กกนข้าวลงไปในท้องก็ให้รู้เมื่อเราไปคูยอยู่แล้วไม่มีโอกาสเลยหลงพ่อไม่มีเวลาที่จะรู้ได้อายุสี่สิบหกปียังรู้เรื่องนี้ขึ้นมาโอ้โธ่มันตายแล้วนี่คนอายุสี่สิบหกปีใข่ตายแล้วนะ่ะอายุแปดสิบแปดปีก็ตายแล้วอันนี้ไมนยังไม่ถึงแปดสิบปีนี่เพิ่งได้เจ็ดสิบกปีนี่เอง คนอายุแปดสิบปีเรโถตายแล้วแก่แล้วได้ครึ่งตัวแล้วนะอันนี้พวกเรามีคนมาพูดให้ฟังโดยความจริงใจแล้วหน้าที่ที่จะสานึกไว้หลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆเรื่องนี้แต่มันไม่รู้นะมันไม่ลูกประจําเป็นเพราะมันไม่เข้ามันอัดแน่นอยู่เขาว่าเอิญน้ำตารนแก้วไม่ยอมเปลี่ยนกิริยาท่าทางไม่ยอมเปลี่ยนกิริยามารยาทไม่ยอมเปลี่ยน อ, อาเดชมเขาบอกเอิญเท็จคือขมเห็น ดิ่งโยติทิฏฐิผมตัวเองว่าบางทีเห็นผิดเป็นมิตรตาทิฐิบางทีเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิทิฏฐิเป็นเพียงความเห็นเท่านั้นเองดังนั้นที่หลวงพ่อนํามาอธิบายให้ฟังหรือมาซีแจงแสดงเหตุผลให้ฟังนี้เป็นของง่งายๆนิพพานกว่าอยู่ที่นี้นรกกว่าอยู่ที่นี้อะไรอะไรทั้งหมดรวมอยู่ที่เราเนี่ยที่บอกคน เราให้รู้จักเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่มีค่ามีคุณถ้าหากเราไม่รู้จักเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีคุณแล้วก็เกิดมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่แล้วก็นอนสืบพันอุรรตรล่าไปตายไปเหมือนกับสเดลาสารนั่นเองไม่มีประโยชน์เลยคนมาเกิดเป็นคนเนี่ยเหมือนกับไปค้าขาย คนได้ค้าขายเป็นได้กําไรคนได้ค้าขายไม่เป็นขาดทุนยับเยินไปหมดเสียไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายหาเงินหาทองได้เสียไปหมดเลยตัวเองหาไม่พอเอาของคอของแม่ไปไสจ่ายไปหมดอีกเนีายแม้แต่ที่ดินก็เอาไปขายจรงหมดเลยนี่คนค้าขายไม่เป็นคนที่ค้าขายเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนหลงพ่อเคยรู้ฝันสองคนแก้วตึงคนจบับหวัดหนอคาย มาตั้งอายุในเกณฑ์หกปีเอาไว้ฝังคนมามาในเมืองไทยนุ่งกลางเกงพร้อมๆเมืองเงจีนนี่ทุกมากเขาว่าอย่างไรโท้โหจะเข้ามาถึงเมืองจีนหือเข้ามาถึงเมืองไทยสบายใจเขาไปมาก็เลยมาเป็นลูกจ้าง เ, าเดือนนึงหกสลึงเงินเดือนเดือนหกสลึงเคยมีนหมเงินเดือนเดือนหกสลึงบ้านห้าสิบบตางไปอยู่หลงต้มเขาเพียงได้กินข้าวก็พอมันว่าอย่างไรไม่เอาเงินก็ได้ ให้ได้กินข้าวกับเขาเนี่ยข้าวก็กินกับเขาเขาให้เดือนหนึ่งบาทห้าสิบประกาศทําระยะสามปีทาได้เงินเดือนเดือนหกสิบจากนั้นก็นไปรับเงินเดือนหกบาทนําเท่าแก่เท่าแก่ก็เลยหางานให้ทําทํางานมากแล้วเดือนหนึ่งหกบาททํางานมากแล้วเป็นเป็นหลวงจู้เขาเออหลวงจู้แบบนี้เก็บเงินเก็บทองเข า, เาหลวงจู้ทางทางนี้ว่ายัางไงพวกมันทราบที่คนเก็บเงินว่าอย่างไง เหมือนกันตรงน้เข า, เาหลวงจุ๊ไปเก็บเงินนําคนนั้นไปเก็บเงินคนเขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นเรียนหนังสือไปด้วยเก็บเงินไปด้วยได้เงินเดือนหกบาททําอยู่ประมาณาก 3, 4, ับสามสี่ห้าปีเขาคิดให้เงินเดือนสิบสองบาทวันต่อมาจนเป็นบริษัทเดี๋ยวนี้เนี่ยเปรมดําลงกับไทยอมอมนหลวงพ่อรู้ดีพวกนี้ไปอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อเคยได้คลิกค้าสมาคมด้วยกัน มีแหล่การค้าขายเป็ดได้กำไรพ่อแม่ก็มาอาศัยได้เพื่อนฟูงก็มาอาศัยได้นี่เรียกว่ามาเกิดเป็นคนอย่าให้เสียความเป็นคนเราต้องพยายามทำตัวของตัวให้เป็นคนขึ้นมาได้อย่าเป็นเป็อย่าเป็นผีอย่าเป็นสัตว์นรกอย่าเอาความเสื่วมมาเป็นควมดีอย่าเห็นผิดเป็นถูกอย่าเห็นทุกข์ว่ามันเป็นความสุขมันผิดไป คิดให้ฟังใกล้ๆพระพุทธเจ้าว่าสอนให้คนรู้จักของจริงของจริงนี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คนเกิดมาเนี่ยไม่อยากตายมีที่ไหนไหนโลกไม่ตายบ้านเมืองที่จเจริญอเมริกาอนอนเขาว่าเงินทองก็มากยาก็มากอะไรก็มากบ้านเมืองจเจริญทานศึกษาเราเรียนดีทุกอย่างก็ตายเหมือนกันเกิดมาแล้วต้องตายทั้งนั้นนี่แหละความจริง เราจะเอาอะไรไว้เราจะเอาชั่วยหรือจะเอาดีไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนหนักสอนหนาเรื่องสอนของจริงถ้าเราเกิดมาเป็นคนเอาต้องตายแน่เราจะสร้างคมดีหรือสร้างคมซั้ยอย่างพระเทวทัตสร้างคมซุ้ย ก, ก็เหม็นอยู่เท่าทุกวันนี้อย่างพระพุทธเจ้าสร้างคมดีก็หอมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยภูบ์สามดอกที่เรามาจุดได้ที่เนี่ยรู้จักแล้วกายก็ทําดีคําพูดก็ทําดีคิด ก, ก็ทําดี หอมทุบสามดอกทุบสามดอกอันนี้ใสจนหมดเท่าใดก็ได้หอมหอมเส็ดังเราได้ยุงได้อันนี้แต่ความจริงแล้วทุบสามดอกนั้นหมายถึงกายทำดีคำพูดพูดดีใจคิดเดในทางที่ดีเมื่อความดีมีแล้วหอมได้มาจากอินเดียมาจากกิโลมาจากเมืองไทยนี่เคยรู้เคยคาดไว้ไหมหนึ่กิโล สามพันกูคิดโลสามพันกูคิโลยังหอมมาถึงเมืองไทยได้ไม่เฉพาะเทือ เ, ม, เมืองไทยนะบ่เนี้มันยังหอมไปเมืองลาวเมืองเขมรที่ไหนหลวพ่อพ ก, ากา็ไม่รู้แล้วบัณฑิคความเหม็นพระเทวทัศน์ก็เกิดในประเทศอินเดียเหม็นไปเท่ากันนะครับสามพันกิโลเท่ากันอืูประมาณสามพันกิโลอันนี้แหละความจริงนี้จะความจริงไปไม่ได้เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยจะทํำยังไง จะทำชั่วหรือทำดีเลือกเอาให้ดีทุกคนมานี่หลวงพอพูดแต่คนจริงหลวงพ่อไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำพูดวันนั้นพูดอย่างนั้นวันนี้พูดหลวงพ่อชอบพูดความจริงความจริงจึงเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้จึงว่ากลัวจะมาเกิดเป็นคนมันจะทำพั่วถ้ามาเกิดครั้งที่หลังมันจะทำชั่วหรือมันจะทำดีไม่รู้แต่ในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ทำดีเอาไว้อย่าทำชั่ว มีแหละพระพุทธเจ้าจูงให้รู้ปัจจุบันแก้ปัจจุบันอดีตอนาคตอย่างไม่แก่เพราะเราตายไปแล้วจะมาเกิดจะได้มาเกิดหรือไม่ได้มาเกิดไม่รู้จะทําดีหรือทาชั่วไม่รู้ที่เราซ่านแล้วเนี่ยเรามาเกิดแล้วเป็นคนแล้วยังทําดีหรือทาชั่วเราไม่รู้ปัจจุบันนี้ต้องรู้ทุกคนเลยเมื่อเรารู้ปัจจุบันแล้วอดีตเราก็รู้ได้อนาคตเราก็รู้ได้แต่ขออย่างเดียวแต่อย่าให้ได้มาเกิดเป็นหนังก็ไม่ออก ถ้าเกิดแล้วก็ตายจริงๆมาเกิดเป็นคนตายอย่างคนมาเกิดเป็นสัตว์แต่ละสายตายอย่างสัตว์แต่ละสายมาเกิดเป็นเทวดาตายอย่างเทวดามาเกิดเป็นพรมตาอย่างกินยังพรมเกิดอันใดตายอันนันทั้งหมดต้นไม้เกิดแล้วก็ตายเช่นเดียบนี่ยลวงพาะเข้าใจตอนนี้ทิว่าทราบซึ่งไม่วันไหวไม่งอนแงน่นไม่ขรุขระใครจะพูดอย่างไงก็าตามนี่แหละของจริงเรียกวาริีศัตรัจจะแล้วของจริง เกิดเป็นคนจิตใจเป็นเปรตมุดขมเป็นคนแล้วตัดจักเรื่อของจริงแล้วผมเป็นคนไม่มีแล้วนี่เกิดเป็นคนเป็นสัจจะสารนี่จริงแล้วหันไปทางโน้นแล้วนี่ขั้นตอนอย่างนไงจริงว่าเกิดเป็นคนคนเอาขมเป็นคนมาให้มันได้ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องให้มุดขมเป็นคนอยู่เรื่อยๆอย่าให้เป็นเปรตเป็นสัจจะสารเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกขึ้นมา เราพยายามให้ควมเป็นคนสมบูรณ์อัดแน่นหรือมั่นคงแล้วก็พยายามให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาพยายามให้เป็นเทวดาขึ้นมาพยายามให้เป็นอินเป็นพรทธขึหมาที่สุดก็เป็นพระเรียบุคคลได้ไคําว่าพระเรียบุคคลนี่หมายถึงบุคคลผู้ที่รู้จักทุกรู้จักสุขรู้จักที่สุขกับทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักวิธีดับทุกข์ ทำอย่างนั้นบรรดาบอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันแก้อย่างนั้นอันนั้นจ้ะเป็นมิตรทานก็ได้เป็นอันยีบุคคลก็ได้จะว่ายัางไงได้ทางนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติจ้ะให้รู้จักสมมุติจริงๆแต่คนเราไม่เข้าใจเลยเมื่อไม่เข้าใจเราเนี่ยก็จะสาธุไปเอาบุญบุญก็ไม่รู้บุญคืออะไรไม่รู้เลยนึกว่ามันเป็นตนเป็นตัวบุญคือไม่ทกนั่นเอง ถ้าเราทำบุญอยู่เราทุกข์เราก็ตกนกรกแล้วก็มีบาปเหมือนกันเอแต่อย่านทุกคนที่มานี้ฟังแล้วจดจําอย่าเชื่อถืออย่างนี้ท่านบอกว่ายอย่าเชื่อถือที่เขาพูดตามกันมาเมือคือกัลยาณมิตรอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นเขาทําตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นว่ามีอยู่ในตํารา ก, กัมนภะีร์ อย่าเชื่อถือโดยการนึกเดาเอาเองหรือนึกคิดเอาเองที่สุดครูอาจารย์ก็ไม่ให้เชื่อถือเลยเราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าสัจจะแท้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้คนทุกคนเกิดมาต้องตายนะบทนี้ก็จำไว้ทุกคนอยู่ที่นี่ตายหมดทุกคนนี้แต่ต้องประสบกับอันนี้ทุกคนจวนจับหมดลมหายใจเนี่ยต้องแน่นอนจึิงว่านี่หัวมจริงทำไมจรก็ไม่ศึกษา ก็เพราะไม่รู้นั่นเองไม่พูดของจริงให้กันฟังนั่นเองนิพพานมันต้องเอาใจในขณะนี้ศึกษาได้ในขณะ น, นี้เห็นในขณะ น, นี้ถ้าไม่เห็นในขณะนี้แล้วกหมายถึงว่าพวงนี้เราจึงจะรวยพวงนี้เราจึงจะไปหาเงินอันนั้นมันเป็นการคาดคิดจะได้ไม่ได้ไม่รู้ถ้าเราหาเดี๋ยวนี้เนี่ยเงินมันก็ได้มาเดี๋ยวนี้นี่เองถ้าเราไม่หาเดี๋ยวนี้เงินมันก็ไม่ได้มาเดี๋ยวนี้นี่เองนี่ข้อมิงที่นํามาเล่าสู่ฟัง วันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นวันเสาร์เป็นวันที่สิบแปดเดือนตุลาคมพรุ่งนี้ก็จะมีกระถินจะมาถวายที่วัดนี้ก็จะจะเทศให้ฟังเรื่อกระถินก็ต้องเทศอย่างนี้แหละหลวงพอ่อจะพูดอย่างนี้เพราะหลวงพ่อไม่มีเรื่องอะไรจะพูดสวรรค์ตายแล้วยังเอานนะท์หลวพพูดไม่เป็นนรกตายแล้วจึงจะเป็นตรนรกหลวงพ่อพูดไม่เป็นแต่หลวงพ่อพูดตปนแต่ก่อน เดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่อยากพูดเพราะมันเป็นของไม่จริงถ้าพูดของไม่จริงเขาว่ายังไงเขาว่าพูดไม่จริงกหลอกลวงโกหกพูดเท็จอะไรท่านพูดไปอย่างจริงพวกคนต้องแก้นิสัยเดิมนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจะแก้ได้ถ้าาไม่แก้ก็หลวงพ่อไม่ไดบังคับเลยเพียงหลวงพ่อนํามาลอยให้ฟังถ้าอยากแก้นิสัยเดิมของเราแก้เลยทันทีเราจะได้วิสัยเดิมจย่าให้เปลี่ยนไปจางไป จางไปจางไปแล้วนิสัยใหม่ๆขึ้นมามันจะค่อยพอกคูณขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนิสัยเดิมก็หมดไปเลยเอาสมมุติให้ฟังผ้าเราเนี่มันเปื้อนเปืป้เลอะเลือนไปวันนี้เราเอาผงเอานา้ำมาขยี้สะ ก, ก่อนแล้วมั น, นเอาผ้าแซลงไปแต่เราไม่ยอมก็ได้แซไปด้นานจักวันหนึ่งสองวันแล้วก็ไปจับโจกของที่ก็ได้ยกม มันจะจางเองมันแซ่หลายทีทําทุกวันทุกวันผลที่สุดอันที่มันติดผ้าหรอที่มันสกปรกมันจะหมดไปเองมันผ้ามันจะค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นผลที่สุดก็เป็นผ้าที่ละเอียดเหมือนกับผ้าเอาออกมาจากโรงงานนั่นเองเด็กๆ ก, ก็เหมือนกันเด็กๆยิ่งดีเหมือนกับผ้าออกมาจากโรงงานเป็นพับถ้าเอามาไซด์นานแล้วเกิขี้ฟุ้นอั น, นเปื้อ น, น, นติดข้าเนี่ ถ้าหากเราสอนกันเต้ตัวเล็กๆแล้วหลวงพอว่อคงจะดีมากถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องสอนกันมาอย่าเพิ่งทําอย่างนั้นน้องอย่าเพิ่งทําอย่างนั้นพี่อย่าเพิ่งทําอย่างนั้นลูกในสามีภรรยาก็สอนคนันหลวงพ่อเข้าใจว่าจะเป็นภาคที่สดสวยน่าดูน่าสมเลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นเอาแหละที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาแล้ว ท้ายที่สุดนี่อาตจจมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานทีน่นี้อาตจจมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้พิจารณาตัวเองดูจิตดูใจของเราจริงๆอย่าไปดูคนอื่นมาก ถ้าไปดูคนอื่นแล้วท่านบอกคนหลงตนลืมตัวอย่างที่หลวงพ่อยกหลวงพอไม่ฟังมีบุรุษคนหนึ่งสแสวงหาสติเพศสติเพศมันหนีไปที่ไหนเราไม่รู้เรายังติดตามมันไปเลยมันก็หลงตนลืมตัวเราไม่ต้องไปหาใครพยายามดูจิตดูใจเราเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเราแล้วนั่นแหละคือเห็นธรรมะคือเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นพระธรรมคือเห็นพระสงฆ์ตัวพระสงฆ์คือตัวเราเนี่ยแหละ ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัยตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้ฟังวิริยามอรญาทอะไรไม่ดีปลดเปื้องออกไปในขณะนี้แล้วก็หมดไปของสกปรกมดไปแล้วของดิีจะคอยมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นที่สุดเราก็เปลี่ยนภาริยบุคลได้ขอให้ทุกคนทุกคนจงได้พบได้เห็นภาวะ สนิทจิตใจเป็นอย่างนั้นในขณะนี้จงทุกทุกคนคนได้ไม่มีทุกอย่างที่ญาติโยมนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ฟังอาตมาพูดเดี๋ยวนี้นี่แหละอาตมาเข้าใจวันญาติโยมควจะฟังคําพูดของอาตมาแล้วบางคนอาจจะไม่ดูใจใจเป็นหนักขนาดเศษเดียวนี้ทุกคนนั่งอยู่ในถ้าหากจะคิดวุ่นวายก็มีน้อยคน แต่คิดหลักฐานเฉยเสสบายฟังแต่ไม่เคยดูใจเย็นเย็นไม่ร้อนไม่หนาวไม่ทุกข์ไม่สุขไม่สูงไม่ต่ำเฉพอะกับพู้เคยออกมาจิตใจของคนวอกแวกก่อขับได้ไวเพงดุจมีลานไขาในตนคือลานนานิกามีไขาในตัวดุจมีลานไขาในตนเราท่านควรบวังคับคน ให้จิตหมุนมาในทางข้างดีช่อกอยให้หมุนไปในทางข้างดีทําที่นี่คจะหนีจากน า, กายหายผมคือเราไม่รู้สิจวัวหนึ่งเนี่ยมันมีนี้ไปอ้าท่มันเข้าก๊บนํามมแล้ยันซ้ำดูปอบปี้นขอขอกหลอกดจิตใจคนได้กลิ่นหลอกเราได้ไปทํากรรมฐานอาตมาไปนั่งทํากรรมฐานเห็นสีมาหรืออยากจะลุกเตะผี พอดีมันสะดุดตรงที่มันรู้สึกตัวมันก็เป็นผีไปเลยไม่ไโยตัวผีก็แสดงว่าใจเราหลอกเราโยตัวเทวดาก็ใจเราหลอกหนอกทว่วจริงตัวมันไม่แสดงมันเป็นคนไขเทคนิคของผิดใจที่พูดวันนี้ออกคิดว่าสามสีมส่ได้ได้เลยกนะ่อนคิดว่าจะหยุดแค่นี้เพียงขณะนี้ออกใช่ใช่จะถึงสิบเอ็ดคัาแล้วมีนเลจะสองาสามหนึ ท้ที่สุดนี้อาจจะมาพร้อมด้วยทักษสงและญาติโยมมานั่งฟังธรรมะ <c oughs> อยู่หน้าศาลาที่นี่อาจมาขออ้าองในเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาตั้งสอนขององค์ตนเองพระสัมมาสัมพุเจ้าและคุณของพันตาสาโกพระสัมมาสมพเจ้ามาเตือนจิตสละจิตใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้ได้เห็นและเข้าใจจิตใจที่สะอาดจิตใจที่สว่างจิตใจที่สงบเยือเป๊ะขา อางที่เรานั่งอยอันนี้แหละเป็นสมบัติของให้ทานไม่ต้องไปหาที่ไหนแต่ทําตัวนี้แหละทําฟมรูปนี้มันจ ะ, ะแสดงตัวมันออกมาเองเมื่อมันแสดงตัวมันออกโอหลักณะนี้มันมีวิธีธนกมือไหว้ตัวเองได้พอโลกตัวเองเลยไม่นึกว่าของดีดีในตัวขนาดนี้ก่อนยกมือไหว้าาสาธุเลยนะขอให้ทุกคนจงกระตุพบเห็นเอาในสิ่ที่จงทุกตนเนอ เมื่อก็จะได้พูดเรื่องที่เรายอย่างสมใสเพื่อมีความสมใสทางคนในนจ ก, กันบางคนจะเข้าใจดีบางคนก็จะเข้าใจไม่ถูกระ่พ้ามีความนึกคิดว่าตัวเองจะ่ควให้มันได้ไม่ต้องใส ที่ตัวเองจะทําได้บางคนทําให้มันรู้บางคนทําให้มันได้บางคนทําให้มันหมดมันมีสามคนู้สืบไม่ใช่สามคนแต ม, มันมีสามประเทศบางคนต้องาาการจะได้ประเทศหนึ่งบางคนอยากรู้ประเทศหนึ่งบางคนอยากหมดอยากรู้หมดได้ไ ยังนันวันนี้ก็จะพูดเรื่องสิเลสที่เลสนี่มันมันแสดงหลายทางหลายที่แค่เราไม่เคยเห็นสิเลสก็คืออมไรเคยเคยดแค่คนเข้าใจรถสิเลสต้องเป็นรถยนต์เป็นบ้านหนังโตๆคนมีกิเลสอย่างนี้จะมีเงิน ม, ม, มากๆมีทรัพย์สมบัติมากๆว่าคนมีสิเลสอะไรอย่างนี้ มันน่าจะพูกเหมือนกักนแต่ว่าคนคิดเห็นอย่างนั้นก็ต้องถูกอย่างนั้นเขาบอกกิเลสนี่หลวงพ่อเคยพูดกันมาหลายครั้งกิเดสทุกคนใดมีโสดโมหะโลภะเป็นเจ้าหลงคนนั้นคือกิเลสไม่ใช่เงินทองเป็นกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นรถยนต์ไม่ใช่เป็นกิเลสอันตัวกิเลสนี่ยคือโสดาโมหะโลภะนี่เองไม่อื่นไกนกิเลส ถ้าเราจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้น้อยก็ เ, เรียกว่าเรามีความสุขน้อยถ้าเราจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้มากเราก็มีความสุขมากถ้าเราจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้สิ้นเติมก็เรียกว่าเราหมดทุกข์เขา้าใหมเพราะหมดทุกข์ก็มีหลายเรื่องนะหมดทุกข์ที่หมายถึงว่าหมดโทสะโมหะเนื้อนม่ใช่มันจะอย่างนี้แต่ อันนี้นเป็นเรื่องที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่คือเริ่มรู้จักวิธีธของชีวิตจะเดินทางไปสู่จุดไหนไม่เข้าใจอย่างนั้นแก่จะเข้าใจไม่เข้าใจนั้นอีกเรื่องเป็นหลวงพว่อ ต, ต้องเข้าใจอย่างนั้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนั้นก็ผิดผมหมาย แต่หลวงพ่อไม่ได้อ้างถึงคนนั้นคนนี้เนื่องอ้างถึงการกระทำของตัวเองการกระทำทุกอย่างเนี่ยย่างโยมมาที่นี้ก็ต้องการสว่าค์ใช่ไหมต้องการสวรรค์ไต้องการใครต้องการนโกไม่ต้องการไม่ต้องการใครต้องการตายไม่ต้องการนะต้องการยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมอันนี้เนี่ยพอเป็นเทปที่บริลาม มีคนคณะกรรเชิญนันปสินไปถวายบริเราคนจํานวนมากอย่างว่าต้องหลายร้อยคนสามสี่ห้าร้อยคนนี้เอาสวรรค์หลังจากการตายแล้วเอานิทานจากหลังการตายแล้วเนี่ยภูมิสุขก็ต้องหลังตายเลยจริงๆก็เลยถามโยมมาที่นี่ใครต้องการตายไหมม่ต้องการตายอถ้าโยมไม่ต้องการตายมันก็นามได้สวรรค์นานได้นิทาน ตายอยู่ี่มันต้องได้สวรรค์เดียนี้ตายนิพพานเดียวนี่ได้สวรรค์เดียวนี้ตายอยวนี้เนี่ยดุลเดียวได้สวรรค์นิพพานใครต้องการตายยกมือมิดเลยไม่มีใครยกมือเลยใครต้องการกลมทุกข์กดมิดเหมือนกันอ่ะเอายังไงดูใครต้องการกลมสุขยกมือขึ้นยกโดยเป็นเสาใครต้องการคนไม่ไม่อยากตายเนี่ยไม่ไม่มีคนอยากตายจกคนนั้นยกมือก็ไม่อยากตายแล้วก็ผิดคำพูดของตัวเอง ตัวเองทําและตัวเองผิดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองทําตัวเองผิดว่าข้าพระเจ้าขอถวายนี่ว่าอะไรก็จาร์นะจะเป็นผ้าบางตกุลหรือกระถิ่นผ้าปาอะไรก็แต่พระสงฆ์ถวายถวายให้พระสงฆ์ให้พระสงฆ์รับและมีคนสุขผมจะเริยนผมเปล่าหน้านี่ยป่ะให้ข้าพเจ้า ได้สวรรค์ในผาเรื่องมกิเลสอันในอนาคตเรื่องหน้าล้นเทือนอก็รีบตายเร็วๆนี่ก็จงได้อันในอดีตเลยเีย่ไม่เอาเอากระทัไม่เอาก็ต้องเอาสวาัสดีนี่เอาไหมเนี่อยแสดงมา่าตอนพูดยากตอนเย็เยน น, นี่วันในขนา้นที่เราพูดกันว่ามีบุคคลมุงต้องการสวรรค์แบบบันไดรอบเมืองเดินไปเดินมา แล้วก็มีบุรุษอีกคนหนึ่งท่านจะแบกบันไดไปที่ไหนแบกบันไดไปใล้ขึ้นเมืองสวรรค์สําหรับใต้นี่คือรูปกกายหรือไปไปเธือนหรือเป็นยังไงได้ปรูปกายไปกายขึ้นเมืองสวรรค์แล้วมีคนนึ่งถามเธอเคยเห็นเมืองสวรรค์บ้างไหมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเธอจะไปรูปเมืองสวรรค์อยู่ที่ไหนได้บุรุษเกิดสงสัยขึ้น น, นี่เสมือนกันที่นั่ต้อนทานสวรรค์นทานหลังจะทานตายแล้วทุที่นางวัดเสทานนังอาสะวาค่จะว่าหัห่นโถข้าพระเจ้ายินดีในทานการถวายของข้าพระเจ้าเนี่จงถึงซึ่งขวมสิ้นไปแห่งอาสะวะกองกิเลสเครื่องดองสันดารท่านกล่าวว่าพระนมีพานาในอนาคต ก, การเบื้องหน้านั้นอันเบกิเลสเดี๋ยวนี้ไม่ออกนี่คนนี่ มันสร้างเป็นจริงๆเนี่ยอันให้หมด ก, กิเลีนี้ไม่ออกใช่ไหมวมื ก, กิเลสแล้วก็อเอานิพานร่างกายผ่านไปแล้วโนมต้องเข้าใจใหม่นะคิดใหม่กั็นสติส่วนอันหมื ก, กิเลสเดียวนี้นี่มันอยู่ที่ไหนกิเลสเนี่ยมันไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสมันจรเข้ามาในขณะเราหลงตนลืมตัวถ้าเราไม่หลงตนไม่ลืมตัวแล้วกิเลสก็เข้ามาไม่ได้กิเลสไม่ได้มีอยู่ที่ตัวเรานะ แล้วคนมันไปติดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องปัจจุบันไม่สนใจไม่เข้าใจเรื่องปัจจุบันเมื่อไม่เข้าใจเรื่องปัจจุบันแล้วเราก็เลยไม่รู้ของจริงก็เลยรู้เป็นอดีตเป็นอนาคตไปเรื่องนี้จะถามโยมให้โยมเข้าใจโยมเกิดมาอายุกี่ปีแล้วอายุกี่ปีแล้วกีคนนี้อายุกี่ปีแล้วสามิบสอง พ่อแม่เธอยังไม่เดี๋ยวนี้ตายหมดเันอยุกีปีพ่พพพพอแม่ถ่า ย, ย่ากห้าปีป น, น, นี่เยอายุกี่ปีแล้วมสพ่อแม่ยังไหมพ่อแม่สอนเธอคำแรกที่สุดจำได้ไหมคำไหนจำไม่ได้เนื้เธอตัวที่ไร เูิดรื่องอะไรวันอะไร เ, ไรเจังได้ยังจงจแค<ม>่ไหนพ อ, อพอแม่บอกเราไม่ใชเราดูเองแล้วคนที่เกิดมาเพียงคนุนอาเพียงขนาอายุสามสิบปีเนี่ยพ่อแม่สนอไรจำไม่ได้ถ้าคนใดจะเชือเ่อว่าคนนั้นจำทสาบได้เลิมาเท่านัา้นทราไมา่แสดงว่าเรายังอ่อนต่การศึกษา ถ้าพูดตรงๆกันเล ย, ยคนยังโง่มากพันธะเราโงก่กว่าไม่ถอดใจเด็กคนจริงโง่กับพรเหมือนกันนะคนไม่รู้กับคนอ่อนการศึกษาเนี่ยแม้ถึงจะเรียนปริญญาแล้วก็ยังอ่อนตน่การศึกษายังไม่ได้ศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจของตัวเองเนี่ว่าคนผููที่เป็นอย่างนั้นจะมีทุกข์ก็มีทุกข์พอมีมมทุกข์ติดปมมาดูที่เ ม, มืเพียงเราเกิดมาอายุสามสิบปุตีเท่านี้เอง ก็ยังจำไม่ได้แล้วจะไปจำได้ทำไมสองชาติสามชาตเราเราเข้าใจไปยังไงนะคนมันเข้าใ จ, จอย่างนั้นเขาเรียกว่าความคิดของคนผู้ที่ยังไม่รู้มันต้องคิดไปยางไงแม้ว่าจะคนอื่นนะตัวอาตมากนเช่ดเดียวกันอาตมา ก, ก็เ อ, อยคินเคยคิดเอาไว้อยากมีคาถาดีๆบางตาคนเดินไปมันจะให้คนเห็นเนี่ยคิดอย่างนั้นคน แล้วมันจะบังตาคนได้ทำไมมันบังไม่ได้บังตาคนเพราะว่าอยู่ที่ไหนคนก็เห็นตัวนี้นะเนี่อคนมันเข้าใจผิดกันแล้วก็จะเหาะได้เนี่ยนะเพอเป็นยังไงเหยาอคือนกเนี่ยมันจะเหาะได้ทำไมมันไม่ใช่มือนกมันไม่เคลือบซาดสัญญาณของนกมันเคลือบซาดสัญญาณสัญญาณของคนมันเหาะไม่ได้เหมือนนกนกเนี่ตัวเล็กๆมันจะหาะได้มันกินได้จริงนะ เนาะขยักหายตัวได้เนาะขยักนั่งอยู่ที่อยากมองเห็นตัดไปยสายสบอดคนนั้นคนนี้เนี่ยอยากมองเห็นคนอยู่ที่ไหนอยามองเห็นทั้งหมดแล้วคนพูดที่ไหนขยักฟังจะได้ยินทั้งหมดมอันนี้เป็นสมคิดสมบัติของคนไม่รู้เข้าใจไหมคนใดยังคิดอย่างนั้นอ่ะคนคิดสมบัติของคนไม่รู้ไม่เป็นไม่ได้เป็นสมบัติของคนรู้ ược. นั่นก็อย่างน อนั้นคนมีตาทิพย์กับคนที่ไม่มีตาทิพย์ซึ่งไม่เหมือนกันคนมีตาทิพย์สำหรับคนผู้ที่ไม่รู้จริงนะนั่งอยู่นี่ต้องเห็นคนเดินถนนุเดินกํนลาลังเดินไปที่นั่นที่นี่ระหว่างนี้ก็เห็นกระดาษินมแบจะออกเลขเท่า น, น, นั้นนี่ยตาทิพย์ของคนผู้ที่ไม่รู้จริงครว่าตาทิพย์ของคนรู้จริงคือรู้เห็นเข้าใจ เรื่องชีวิตจิตใจตัวเองเศษชีวิตจิตใจตัวเองไม่เห็นไปเห็นคนอื่นแล้วมันจะมีตาคิตอย่างไนกันหนึ่งตาคิดก็มายถึาปัญญาจริงทำพูดคิดไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองเขาว่าไปเห็นคนอื่นเขาเรียกว่าคนไม่มีคมละอายมันมีคล ม, มคละอายใน ใ, นใจอย่นี้มันก็พูดไปอย่างไงอันนี้เขาเรียกว่าคายคายสุดสัตย เด่ไม่ใช่เป็นสัตว์นียคายๆ่ายคสัตว์แต่แข้งขาหน้าตามือเข้าเป็นคนใจเป็นค่ายค่ายสุจันสนสตวอิสรลสรอนิมันไม่รู้จะลายนะให้เข้าใจจากนี้วันนี้คนได้ทาพูดคิดเห็นจิตใจตัวเองนะคนมีเห็นนิคนณละอาจเกลเจใจละอาจเกลเจใจในเมตตาละอายเกลคนนะกันคมณละอาจเกลพักพวกกับคนเป็นจำนวนมากนันเป็นเป็นอย่างหนึ่ง คันคนใดคันคันคนใดนี่เข้าใจไหมคันคนใดหรือเพือคนใดก็เปนก็ได้คันคนใดก็ได้คนใดเห็นการทำพูดคิดจิตใจเห็นมีโภมน่ะอายใ จ, ใจไม่ใช่หน้าแค่คนนะเข้าใจไหมละไอาแค่ใจอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นเทวดาเรียกเป็นสาธิตคนคนใดไม่เห็นอย่างนั้นก่อนแสดว่าไม่เด้ว่า คนไม่เห็นไม่เห็นการแสดงว่ามันมีตาทิศคือไม่มีตาปัญญาเนี่ยพวกคุณนั่งฟังหลวงพ่อพูดที่เดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจเนี่มันจะไปเห็นจิตใจนึกคิดได้ทันการแสดงว่าคนนั้นยังไม่ยังไม่มีตาทิศยังไม่มีตาทิศแล้วคนใดฟังเนี่ยโอตาทิศหลวงพ่อพูดนี่ก็หมายถึงมันนึกมันคิดเห็นการกระทําเห็นการพูดเห็น ปัญญานั่นเองสาธิตคนได้มีปัญญาเขาเรียกคนมีสาธิคนได้ขาดปัญญาแล้วไม่ได้ถึงสาธิตย์แต่ปัญญานั้นไม่ได้หมายถึงปัญญาที่ไปทําหากินหาเงินหาทองไม่ได้ปัญญาอันนั้นถือปัญญาเรื่องโลกปัญญาเรียนหนังสือเก่งก็เป็นปัญญาหนึ่งปัญญาหาเงินมากๆก็เป็นปัญญาอันนี้ปัญญาปูกบ้านแตงเหินคํานวณถนนหนดินก็เป็นปัญญาหนึ่ง แต่มันเป็นเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์เศรศาสตร์รัศาสตร์ไม่เหมือนกันเท่านั้นมีหลายศาสตรนะครับว่าเป็นปัญญาเป็นคนละเรื่องละเรื่องแต่ปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านเสนอเนี่ยคือปัญญาบุคคลมาแก้ปัญหาตัวเองเรื่องชีวิตไม่ให้ชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตเกิดมาเพื่อทําะไรเพื่อมาเพื่อทุกข์ไม่ชีวิตเกิดมาแล้วแบบเพื่อความไม่ทุกข์ การกินการนั่งการนอนการเดินการไปการมาต้องการไม่มีทุกคนที่เรียนหนังสือกับหมายทาจินเรียนเอามาแก้ปัญหาเรื่องทุกข์นี้เลยได้เงินเดือนมากๆก็กจะมาแก้เรื่องทุกข์นี้บัดนี้คนดีเงินมากๆหาเงินได้มากก็จะมาแก้เรื่องทุกข์นี่ให้ว่าคนทํานาทําสวนให้ว่าทุกประเทศเีเดียวจะมาแก้ปัญหาเรื่องทุกข์เท่านั้น แต่คันที่ไปแก้เรื่องอื่นนั้ไม่ถูกต้องแล้วที่หลงพอพู พ, อพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเนี่ยมันมีหลายศาสนาอันนี้จะคณะอํภรรยาอังคารเป็นอุปถามภ์หพดูเบื้องต้นที่จได้หลวงพ่อบวชสองสมัยสิงหาสมัยหนึ่งบวชหกเดือนพระครูวิชิตสมัญชัยเป็นอุปาัม์ครั้งอ่อนครั้งนี้ก็ไปบวชกับท่าน คระภูวิธรรมจันทร์ท่านรอให้ฟังศาสน า, าในประเทศอินเดียมีร้อยแปดศาสนาร้อยแปดอธิปไตยแต่บางคนมากกว่านั้นท่านท่านได้ไปอินเดีเยดูท่านจะเห็นท่านเป็นนักศึกษาแต่ว่าศึกษาหลักพุทธศาสนาเนี่ยมากแล้วจะไปศึกษาทำไมกันร้อน นักที่นั่งก็สอนอย่างนั้นอักทีนั่งก็สอนอย่างนั้นศาสนาจริงแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผูนร่้จําบทนี้ก่อนหน้าศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผูรู้ใครรู้เรื่องอะไรคนนั้นเรื่องนั้นมาสอนสมมติคนรู้เรื่องหาเงินก็ต้องสอนให้เขาหาเงนคนรู้วิธีเขียนหนังสือก็ต้องสอนให้เขาเขนหนังสือคนรู้เรื่องอะไรนําเรื่องนั้นมาสอนเดวศาสนาพูดเข้าไปอีกเรื่องคนเคยไหว้ผี ก็ต้องขอให้คนไหว้สุดยุ้ยอย่างที่เราเคยเห็นไม่ได้ไม่ได้อำเภอขาดใหญ่อำเภอขนาดใหญก็มีน้อยกรุงเทพกรุงเทพมีสารพัดปุ่มเข้าไปในบ้าน<ม>แทกทุ่งหลังคาด้วย<ม>แทกทุกบ้านทีเดียวที่ดินญญมายืานม้วนกรุงเทพจะไปตั้งรันยาบ้านไหน่ออคือไปตั้งเลยในในบ้านไปตั้งเลยที่ที่เขาปลูกบ้านออกมาเพชรเป็นสารเอาไปเล็กๆออกสารพัดปุ่ไมไป้ั้งที่ตรนี้ เพราะมันไม่มีทีที่ตั้งฐารากถพระที่ดินปลูกบ้านมนน้และบอนนี้คนจำพวกนั้นก็หมายถึงวาสนาของเขาวัานธรรมเปลวัตทิพย์ขึ้นไม่ใช่เป็ศาสนาอย่างที่พระพุทธเจ้าศาสนาเปลวัคําสั่งสอนของคันผู้รู้ใครรู้เรื่องอนคตนามเรื่องนามศรศาสนาเปลวัตทิพย์สอนให้เพึ่อันนั้นตอนนี้ก็อย่างนี้เป็นวัสนารรมเปรวัตทิพย์ วันนี้จะทำลายสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพราะเขาถือมาเป็นบรมษโบราณดั้งเดิมมาแล้วเขาเคยถืออย่า น, นั้นมาบ้านหลวงพ่ออันนี้ว่าบ้านหลวงพ่อเองนักถือนางกรณีเอานางกรณีรักษาก็ไม่รู้จักนางกรณีเจ้าหลวงพ่อไม่เคยเนจะ้าหลวงพ่อถือเทวดาเอาเทวดามารักษาพ่อเป็นค อดอกไม้เป็นบูชาทุกเช้าทุกเยนแล้วก็หไฮน้ำทุกเช้าทุกเย็ น, ยนเรามีตมาเต้าน้ำนี่น้ำเต้านี่แล้วก็ดอกไม้ไปถ่ายทุกเช้าทุกเย็นมาบูชาเทวดาก่อนให้ไว้เทวดาแก่คนจริงพ่อแม่สวัสดีแก้ว่าเทวดารู้ไหมไม่รู้เทวดาเทวดาอยู่ที่ไหนไหมก็เหมือนกับคนที่แบ็กบันไดขึ้นสว่างนั่นเองเรื่ศาสนาที่มันมากทําให้คนหลงมากที่สุดเรื่องศาสนาเนี่ ไม่เป็นมันนี้คนถือนางธรณีเอาที่ดินไปไหว้บนบ้านเอาไว้ที่ร้านข อ, อ, อเอาขึ้ไปกระดุมบ้านแต่รกราบไปไหว้ที่ดินี่แล้วคนนั่นจะเป็นคนสลาดไหมอ๋อสลาดไหมไม่สลาดนะไม่สลาดก็ถ้าเา้ก็ต้องสอบกันเพื่ไม่สลาดก็บอกว่าไม่สลาดสลัดก็บอกว่าสลัดแต่ไม่ผิดไม่ถูกอะไรท่าเท้ามักันเพื่อเพื่อคลี่ใจผักของชาวลาด คนสลานวันนี้หลวงพ่อจะพูดให้ฟังก่อนหลวงพ่อมาจํารรษาพระสุพรรณปี2518มีทาหารคนหนึ่งตอนเข้ากับพวกตรงนี้เรืพอกเร่รขาวใดเพราะเดียวพวก้ได้มาก็มีพวกกูได้มาครับมีนักข่าวมาอาจไม่ได้ยินนูได้ยินด้านลึกไหมแต่ไม่ได้ยินก็พูดให้ยินแต่คนใดไม่ได้ยินก็ฟังอีก คนได้ฟังมาเป็นครั้งที่สองก่อนจะได้แจ้งใสขึส้นมาคนได้ฟังครั้งที่สามก่อนจว่นแก้งใส่หรือชักเกียจขึ้นมาว่าการฟังขับมากฟังสิ่งที่ยังไม่ติฟังฟังสิ่งที่เคยมาแล้วยางไม่เข้าใจฟังตั้งที่สองที่สามเข้าใจแล้ววันนี้หลวงอก็อยาให้ทำกรรมฐานสอนอย่างที่ตอนนี้เนี่ยให้ขอพลิกมือขึ้นยกมือไปเอามือมาให้ลูกพลิกนี่แหละ มันพ่อกับพูดทุกวันแต่เนี้ยนักทุกวันเขาเพื่อรู้ขึ้นมาโอผีคือคนทําชั่วพูดชั่วเทวดาคือคนทาําดีพูดดีเขารู้นเนี่พก็เลยพูดว่าเมรัยสารพ่อภูมินี่สำนักคนผู้ที่ยังไม่รู้คนอ่อนสัญญาคนปัญญาอย่างน้อยนี่บอกคนนังไม่รู้ทิศทางเขาทญญาไปเลยวันนี้ตัวเองรู้เลยอยากจะเอาเท่งอยากแตะส เพ่งเขาไปหาพุ่มแม่พ่มแม่กับพ่อเขาไม่ยอมเด็กเขาเป็นคนจีพนพ่อเด็กไม่ใช่คนใช่คนจีนโดยเฉพาะนคนไทยตก็มีเหมือนกันเพราะนั้นพ่อแม่เขาเป็นคนจีนไปส่วนแม่เขาเพ่งพ่อเขาไม่ยอมอาทิ้งเพราะว่ามันคือกันมานานแล้วบัดนี้ก็อสึกไปสึกไปก็เลยจะพยายามเอาทิ้งเขาไม่ยอมให้เอาทิ้งต่อมาสามพ่อคุก็ไปทําให้หลานติดทอง ให้หนานเจ็บท้องไม่เจ็บที่ไหนลวงพ่อทำในโลจะไม่สบายกว่าเป็นสานพ่อภูมิสารพระภูมิอยากกินหัวหมูอยากกินเนื้อสารพ่อภูมิก็อยากกินหมูเป็นแต่ว่าห้ามไม่เป็นสําคัญนะแล้วอยากกินทําไมจึงทาไม่เป็นเนี่ยมันจะเป็นเป็นยังไงสานพ่อภูมิดีเรื่องอะไรไให้เขา้าใจยังบุกบ้านอยู่เขาไม่เป็นแม้อยากกินหมูก็ยังต้มไม่เป็นนี่เป็นยางต้องให้คนอื่น คนที่ทํำนั่นก็ยังไม่รู้สารพระภูมิ ค, คืออะไรไม่รู้จึก็เลยไปซื้อหัวหมูมาถวายพระที่ถวายกันพระภูมิสมาหลุดแต่เมื่อนั้นเขายังไม่ได้ถวายเลยแม่เขาจ ะ, จะซื้อหัมูมาถวายกันมาคนเลยบอกว่าคุณได้ทําด้ทำที่บนเขาจะเอาหัวหบเป็นตั้งนะทําแล้วมันดีๆ็ะย้ายมันดีว่ะทําดีๆ่ะ ย, าย้า ใ, ให้มันดีเข้าใจไหยทําม่ให้มันแน่นหนา ทำพอดีวางไปให้มันล่ลงมาแต่จะให้มันลดทันที <c oughs> เขาเขาเรียกโอ้หัวหมูไปวางไปที่นั้นวางไปแล้วเขาต้องกาบาาากาบกาบขาต้องอยกาบไปไปถูกไหมอะไรที่นี่แต่มันจะมัน อ, อาจจะมีเสื้ออะไรโยงถึงกันอย่านกาบพอดีอันนักระเด็นเนี่มันก็ล่นใส่หสัวตัวเองเลยหัวหมูตกใส่หงอกแม่เขาเขาก็ไปนั่งคอยอยู่บันไดนั่งพอดีกาบหัวหมูเล็บหล่ตกใสหัวแม่ก็ฟุบหลุดก็เจ็ดเลย ออกมาเลยไม่กับออกมาคนนั้นก็จับเพราะนี่มือตีหัวแม่กูอู๋ตัตีหัวพอดีคอนตีตุ้มสารพระภูมิกระโลมเลยพอดีสารพระภูมิล้มแล้วออกไปที่หงอกหองเลยกระชิง ไ, ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอุปท า, านมันเป็นอุปท า, านอยู่ที่หลวงพ่อพูดนี่ไม่ใช่ไม่ได้สอนให้สานพระภูมิไม่ได้สอนให้ เอาใจพ่อคุณไปเที่มนั้นหลวงพ่อคุณเนี่ยคืว่าให้ใสตัดสินต่างดาวสารภาพภูมิทนน่ามันดีจริงๆหลวงพ่ต้ปลูกบ้านอยู่ได้อย่างที่ปลูกบ้านสองสารสานนั่นไม่ใช่สาราพ่มคมาช่วยเราเองคนที่เรียนมามากนักคำนวณคำนวณเพชนดินตอนนี้จะช่วยน้ำหนักให้เท่านั่นวางเทียนเท่านั้นปลูกเท่านั้นฟันเท่านั้นนักคำนวณแต่พวกนีเรียนมาไม่ใช่จะเป็นเสื้ อ, อย่างที่หลวงพ่อพูดอันนี้เพ หลวงพ่อไปจําไม่ใช่ไปจําพรรษานะ่ะไปอยู่ที่นั้นวัดอิเรศธรรมคุณที่นั้นมันมีเป็นปา่าซาไปเปิดอบรมที่นัคนเปิดอบรมต้องหาหลวงพอเป็นผู่หลวงพ่อเป็นคนพูดมากแต่ไม่ใช้พูดมากกลูกเล่นๆก็ไป อ, อ, อยู่หลายวันคนตายก็ต้องไปจูดที่นั้นไปฝังที่นั้นฝังคนมีจูดก็มีนะจูดขันทันได้มหมดแล้วก็ฝัง จะคนกลัวกลัวที่นั้นเข้าใจไหมตาซาจะพูดอะไรแบบนี้ไปพเอเนขอเด็กมาแต่ฝั่งแต่ฝั่งนั้นหมาไปโยที่มกิา้คมามาโวยที่หมากิ e. ัวคนกลัวคนเข้าไปไม่ได้ดรวกเพราะอีก็เข้าไปไม่ได้ตาต่าจต่อไม่ไ้จะไปได้เม่กลัวจะกลัว พอดีมา้าจะโกล้ขึ้นมามันก็ตอนเศร้ามันก็กินเลี้ยล่าตามบริเวีณในวัดคนหลายแล้วพวกอะไรเนี่ยดูโยมาดูดิมา้าคือที่มันมากินที่โยอเดทมามาเท่าเลยมันไม่หมดเขาฟังโยมัดนดูเห็นเห็นม้ า, ม, ามันั้นไม่กลัวมันกินได้นคนทําไมจะกลั ว, วอ่ะพูดแค่นั้นถ้าหากคนกลัว จิตใจเนสู้หมาไม่ได้หมามีใจิตใจแข็งกว่าคนกวนตัวผีหมาไม่กวนแง่สาคัญนะตัวนี้ไม่ใช่พูดให้โยมนะเนี่ยให้ว่าระดับใจิตใจคนนะ่ะมันไม่มีที่พึ่งต้องเขาเพิ่งอั น, นั่นไปก่อนจะไปทำให้เขาเป็ ว, ว่าพูดให้เขาเห็นให้เขาเข้าใจโอ้ใจิตใจต่ำมือสาบจิตใจไม่เข้มแข็งนี่ผมก็ได้เห็นหมาพูดให้บางคนก็สั่งหลงพ่อสั่งนี่ว่าอย่างไง ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเต่หลวงพอพูดจริงเกินไปนะว่ะพูดจริงแต่ก็พูดควมจริงที่หลอกไปฟางบ้านหลงพ่อได้ไหงงไม่ชอบนะพอจะได้ฟังไัมไม่ชอบไม่ชอบไอบฟงคนเขาดีใจพูให้ขอบฟังผมมันโง่มาแล้วแจะมีใจยคนจำเหมือนมากา ค, น ค, นนมาคนขลาดมีน้อยคนงโง่หีมากเคยได้ยินสวราง อาจารย์ชนไส่บ้างอาจารย์ชนไส่มีคมรูแตกไปได้ถักออกไปฝากคองเนี่ยมันมันจะแตกคนจะใช้คมรู้มันจะแตกโต้คือมันคนจะตายไปคนจะโต้ไปเขี่ยไปได้ในในถักออกไว้เพกรกะคมรูมากเป็นอาจารย์ของโมกขลาสาลีบุตรข่าวนั้นคือเป็นอัตตามนุกอะไรเน่ยราจับไม่ได้พวกมฆะลาสาลีบุตรไปเรียนคับอาจารย์ชนไส่เคยได้ยินมาไหม ฮะเป็นเลเยเป็นเลยเป็นเนี่กรับนี่นะวันนี้ก็พอดีเรียนอยู่นั่นปินระยะเวลาดูมันหลายปีตุกสามปีแต่เราไม่ลเรียนเรื่องจะดับทุกนี่แหละเรียนเรื่องมักคนทิพย์ น, น, นี่เรียน้ะก็แล้วถึงสามปีสปีแอ้เรามาเรียนที่นี่เหมือนกันังไม่เห็นไม่มีอะไรดีขึ้อนอเรามาส่วนกันโมคลาัาษาที่บุคคนั้นยัง ไม่ได้เป็นมฆะลาสาลีบุตรจอมจะบอกเขาจำไม่ได้คือเ ด, นดินคนนี่อ า, อาจารย์ดีคนนี้จะไม่มีขับบ้านกนะ็เป็นทางส่วสองคนขับบ้านก่อนที่จะกลับบ้านก็เลยพูดกันว่าถ้าพวกเราคุณและพบอาจารย์ที่ดีอย่าลืมกันนะทําผมมั่นสัญญากันสองคนทางมฆะลาขอกลับบ้านทางสัลีบุตรไปคนาานะครับ ไปก็ไปเห็นพระปะิอนที่ผมไปเห็นพาริเดินทางก็ใหญ่าจาประสิก็เลยเดินทางมาเนี่ยเป็นหน้าคลุกหน้านักถือแม่ใช้ใช้มาละมัติกลางก็เลยตามตามพระพระตชิไปยิฐบาพราะที่ตามไปคนใช้บ้านระปริพอแล้วแบบพะปะสกับคืนมา ไม่ใกลับคืนนะครับวกไปจะได้หมายทางเดิมวกไปเลยไปเดินทางที่ใดมีน้ําที่ใดเป็นร่มรื่นท่านก็จะรู้นไปประเดีไปจะปรล่ยไขถ้าอาจาบุญยังไม่ได้ยังไม่ได้ถามอะไรเลยก็เลยเห็นท่านไปนีก็เลยเข้าไปท่านก็เลยนั่งท่านก็เลย้าไปปูพาไปปูพาอาจะรยบก็เลยออกไป็นน้ํานั่นก็เลยเอาอาหารออกจากบาสมายังที่พักเขีน เพราะอ า, อ า, าจากบาาก้านมาันอกมามากินเลือกคัดจัดหาที่มันเป็นแย่กินที่มันไม่เป็นแย่กินที่มันจะะแัแย่งโลกท่านก็ไม่เอาที่มันไม่ัแย่โลกทาาัานก็เอาเนืพาพรที่มีสกิคนดูจนให้กสังข้าวต้องสำรวจประมาณนี้น่าเริ่อมสพอดีสันเส็ันนี้สันเสร็ถาท่านดูนนนเป็นปขขนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครครูบาอาจารย์ของท่านซื่ออย่างไร แล้วครูบาอาจารย์นอนสอนเรื่องอะไระภาษารีบุตรถามพระอาจารย์ตอบสอบเราเป็นขบวนใหม่ ย, ยัง ไ, ไงไม่มีความรู้ความรู้ยังไม่มนี้ผมมันรู้มากแล้วไม่ต้องการทุกยุคพวกคนจินให้ฟังเท่านั้นเออถ้าพูดเม่นนอยได้พวกคนจีนได้ฟัง